ตอนเหนือทำเหนือภาษาวันที่18เมษายน2558อ๋อกลาวนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรลีคุณแม่ชีกระเลยนไม่ทุกคนนะก่อนนั่งสบายๆที่แรกได้ยินว่า ญ, ญาติธรรมที่จะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้บางท่านยังไม่ได้ดูเต้นสู่นิพพานแต่ถามปุ๊กแล้วว่าส่วนมากจะดูแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวคน TISC เนื่องจากเราอยู่ชุมชนเมืองอยู่ในกรุงเทพนะก็ดูตัวนี้เป็นแบบอย่างก็ก่อนเดจะฉายตรงนั้นมีคำถามนะก็ครูจะใช้เวลาไม่มากก็เราจะทำอย่างไรในโลกไซเบอร์ เราทำงานกับคนที่เขาต้องต้องอะไต้องจิกไปฟ้องหัวหน้าเราต้องทำอย่างไรในขณะที่เราต้องไปเผชิญกับคนแบบนี้แล้วอ่านอีกันหนึ่งเลยเราต้องทำงานกับคนลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เราแล้วเขาก็ เป็นคนเป็นกลุ่มคนระดับหัวหน้าและเป็นเหมือนกลุ่มลูกค้าเราซึ่งเขามักจะจะเอาเรื่องเอาเรื่องร้ายเรื่องที่ร้ายเรื่องทําร้ายเราและบังคับผ่านหัวหน้าเราเราควรจะทําอย่างไร อันดับแรกคือทำใจ The boss is always right <laughs> ถึงเขาจะเป็นลิงก็ช่างเขาถูกเสมอนะเราทำใจนะเรื่องนี้พ่อครูเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคุณหมอพูนพยาบาลอะไรเนี่ยนะก็ทุกแห่งมีปัญหาอย่างนี้หมดนะถ้าตรงไหนที่เราทำงานกับคำว่าคนคนยุคนี้เนี่ย เขาสะกดใหม่ระหว่างคอควายกับคอหนูเป็นลูกผสมระหว่างควายกับหนูมันย้อมเป็นอย่างนี้แหละคอคนสมัยโบราณเนี่ยคือคอคนนะตอนนี้เอาคอควายคนยิ่งคนยิ่งวุ่นวายนะแล้วยิ่งคนยุคปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคนที I ่ไอซี C. นะไปดูคนที I ่อสี C. เขาก็มีปัญหาอย่างนี้นะ จุกจุกจี้จี้เขามีพนักงานร้อยกว่าคนเป็นบริษัทที่ทำเลสิกอยู่ตรงตึกอื้อเลียงตัวเลขที่เขาทำถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเขาก็มีปัญหาอย่างนี้พระครูไปเข็นที่นู้นปีหนึ่งเข้าไปทุกเดือนไปบรรยายแล้วก็มาพาปฏิบัติตอนนี้เครื่องติดแล้วนะเขาเปลี่ยนจาก คอคนซึ่งเป็นคอเป็นเป็นเป็นคอควายเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอคนจริงๆนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำใจยอมรับคือน้าแก้วหนึ่งอ่ะเราเอาทรายลงไปก็ไปอยู่ข้างล่างเราน้มันลงไปก็ลอยอยู่ข้างบนเราเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกัน มันเหมือนกันไม่ได้ลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกัน D, N, A เหมือนกันไอ้นี้ขี้แยนี่ไม่ขี้แย่อันนี้ I อคสูง I อคต่ำเห็นไมมันไม่เท่ากันนั่นแต่เกิดมาก็ไม่เหมือนกันลูกฝาแฝดคล้ายๆกันอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะมันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันนะเรามีอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้เรายอมรับความจริงว่ามันไม่เหมือนกันนะ ยอมรับในความแตกต่างาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกันเหมือนกันาศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับอมรับในความแตกต่างผู้ที่เหนือกว่าเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่ด้อยกว่าอันนี้บังเอิญผู้ที่เหนือกว่าเราเนี่ยเขาเล่นงานเราเขาไม่เอื้อเฟื้อเราก็เป็นกรรมของเขาจ่ายหนี้เถอะนะมันด่าเราเราก็ยิ้มเนาะเพราะว่า the boss is always right เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเองให้ยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละนะเขาทำแล้วก็มีความสุขแล้วก็อนิโมทนาเขาด้วยนะเปลี่ยนตัวเอง mm hmm. เพราะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนให้เรารู้เท่าทันนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเขาเล่นเราเนี่ยเราก็ไปทุกข์กับเขานะถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ย ถ้ารู้เท่าทันไม่ต้องอาหสิกรรมไปนะไม่ต้องไม่ต้องให้อภัยเขาด้วยเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละเราได้ยินปุ๊บก็ไม่ไมต้องมาใส่ใจแต่ถ้าเกิดว่ามันลงใจแล้วมันมั น, ม, นมันทุกข์แล้วไอ้คือว่ามันไม่พอใจแล้วก็เอาหสิกรรมเห็นไหมเราให้อภัยทานเขาเนี่ยเราได้เต็มเต็มเลยนะอภัยทานเนี่ยได้กุศลมากที่สุดวัตถุทานเนี่ยเราไปหาเงินเกือบตายนะ เหนื่อยมากเงื่อไหลคร ย, ย, ย้อยยังสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญช่วยเด็กยากจนไปสร้างวัดไปอะไรกันแล้วแต่อันนั้นเขาเรียกว่าวัตถุทานสมมติว่าพ่อให้ให้ใหใหใหใหพ่อครัให้เปอร์เซ็นต์นะวัตถุทานเนี่ยเราได้ส0ซแต่การให้ธรรมทานพ่อครักำลังให้ธรรมทานเสียเวลาพูดทีหนึ่งเนี่ยคนเป็นร้อยได้ยินเนี่ยออกยู u t u b e ชต่างหาคนทั้งโลกได้ยินเนี่ย เขาเรียกว่าการให้ทำเป็นทานเนี่ยยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงก็คือว่าอา น, นิสงส์ที่มันเกิดขึ้นจากวงกว้างคนได้ประโยชน์เยอะเหลือเกินเพราะเราไม่เหนียวความรู้ทุกวันนี้ให้ได้ไหมไม่ได้ค้นคว้าเกือบตายต้องไปลิขสิทธิ์นะผู้เจ้าไม่เหนียวผู้เจ้าให้หมดเลยนะอันนี้คือให้ธรรมทานถ้าให้พระครูให้คะแนนว่าคนที่เราให้ธรรมทานเนี่ยเราได้เท่าไหร่ตีว่าให้อีก30 ให้วัตถุทานได้สิบอร์ซให้กี่ล้านก็ช่างทิ้นตัวเงินน่ก็ได้สิซแต่ให้ธรรมทานเนี่ยตีว่าให้สามเรซเราได้สี่สิบแต่การให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวแล้วก็แค่คนเดียวนะแค่คนเดียวเนี่ยให้อภัยมันแค่คนเดียวเนี่ยเราได้หกสิบเอร์ซตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ให้อภัยมันเนี่ยเราก็แบกภูเขา อยู่ในอกเราที่พ่อครูบอกว่าเด็กมันเล่นกันมันทะเลาะกันมันลงไปร้องไห้เดี๋ยวมันลุกขึ้นมาเล่นกันต่อเห็นไหมมันไม่ต้องให้อภัยเลยนะมันได้ปล่อยอารมณ์แล้วมันก็เล่นกันต่อมันไม่มีพยาบาทแต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค่นี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายเห็นไหมผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนยีบเกวันอีกแค่วันหนึ่งจะหมดแล้วคืนนั้นกําลังจะหลับตาลงไปเนี่ยเห็นหน้ามันต่อวิซ่าไปอีกสิบปี อย่าล้อเล่นนะอันนี้เป็นพยาบาทนะเอาไปเผาแล้วก็ไม่จบนะเอาร่างกายเราไปเผาเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่จิตพยาบาทเนี่ยมันตามข้ามภพข้ามชาติเห็นไหมเราแบกข้ามภพข้ามชาติแต่ถ้าเราให้อภัยมันซะมันไม่ได้อะไรจากเราเลยนะแต่เราได้ภูเอาภูเขาออกจากอกเนี่ยได้อา น, นิสงส์มากที่สุดนะก็ให้อภัยเขาเถะนะิดโดยเฉพาะเราขึ้นชั้นเป็นผู้รู้แล้วนะ เขายังเป็นผู้ไม่รู้เขาหลงในอารมณ์เขาก็ให้เขาทานะมันด่ามาทีนึงแล้วก็อุเบกขานิ่งมันโกรธมากดายังนิ่งๆอีกมันด่ามาอีกสองครั้งเราก็นิ่งอีกได้บุญสองครั้งนะอภัยทานยิ่งใหญ่มากเราไม่ต้องแบกภูเขานะก็คำถามต่อไปน้องเขาอยู่กินกับผู้หญิงเป็นแม่ไม้ลูกโตแล้ว อยู่มาสิบสองปีแล้วก็ไม้เบื่อไม้เมากันทุกครั้งที่ไม่ได้อะไรอย่างใจจะทำร้ายโดยการใช้มีดฟันแทงและเอาขวดเหล้าตีหัวใช่ไหมเราเองก็เบื่อกับเธอก็เลยมีผู้หญิงคนใหม่จบโทอังกฤษ ซ้ำเป็นฉันเป็นรักก็แอบรักรักก็แอบรักเธอฝ่ายเดียวจนมาปฏิบัติธรรมผู้หญิงคนปัจจุบันไลน์มาบอกว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กเห็นรูป ก, กับคนใหม่เลยไลน์มาบอกว่ารู้เรื่องแล้ว คำถามว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราจะเลิกบาปหรือเปล่าเธอจะฆ่าเราไหมคะเราจะทำอย่างไรเมื่อเห็นคนใหม่แล้วก็ปรุงแล้วก็รักรักรักเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆืเราจะทำอย่างไรกับการไม่พอตรงนี้นถามตัวเองที่ทำยังไง มาถามพ่อกูทาไมเหวียงทิ้งไงคาตอบคือเวียงทิ้งนะลองดูสิไปเลือกเขาเขาอาจจะฆ่าเลยนะเพราะเราไปหลอกเขาไว้ลองลาเขามาบวชดูเนี่ยบางทีเขามาส่งเราด้วยคนเรามันเป็นอย่างนี้นะถ้าเธอไม่ใช่ของฉันเธอไม่ต้องต้องรู้ไม่ใช่ของคนอื่นความรักโลภโกรธลงมาเป็นทุกข์ นี่เป็นกรรมที่เราสร้างไงเนี่ยกามมาลาฆ่าละ่ะนะที่บอกว่าผิดศีลในกรรมไงเราต้องทุกข์พรากูพูกว่ารักโลภโกรธหลงเป็นทุกข์มีพยาบาลท่านหนึ่งมาจากบุกนาลยกมือเลยรักกันมันจะทุกข์ได้อย่างไรเห็นไหมแฟนเขาก็มาด้วยเป็นคุณหมอเออว่าคุณพยาบาลรักคุณหมอไหมรักสิถ้าคุณหมอถูกคนอื่นแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่า บางทีไม่รักเฉยๆนะแค้นนี่ต้องชาระสิบปียังไม่สายอีกรักประเภทไหนถ้าเรารักเขาจริงๆคนที่เรารักนี่ไปมีความสุขต้องอนุโมทนาสาธุรักมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไม่ทุกข์รักมันแฝงด้วยรักเพราะเธอเป็นของฉันเห็นไหมพอรักเราก็ห่วง พวอครูเคยนะที่อุบลนเป็นญาติพวอครูด้วยเป็นผู้อาุโสนะเป็นทกแก่อุบลภรรยาเขาชื่อว่าแปะ๊ะแป๊ะนี่เป็นชื่อจีนแปลว่าขาวขาวจริงๆเขารักเมียเขามากตั้งแต่แต่งงานจนอายุแปดเก้าสิบนะเขายุยืนนะไม่ให้เมียเขาทางานเลยถนอมมากเลยบังเอิญภรรยาเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อน เขาแกคนนี้เคยมาหาพรอกูนะพ่กคูก็บรรยายทำให้ฟังปกติเป็นรุ่นพ่อนั่นแหละแกก็เข้าใจไม่เข้าจิตนะแกก็ฟังไปอย่างนั้นแหละพ่อกูบอกรักโลภโกรธลงเป็นทุกข์พอภริยาแกตายเนี่ยแกตอมใจแกทุกข์มากนะส่งโรงพยาบาล ก่อนจะตายแค่วันหนึ่งนะพ่อครูก็แวะไปเยี่ยมแจกจับมือพ่อครูบอกว่าพ่อครูพูดถูกละแต่มันสายเกินไปแล้วเนี่ยแกทำใจไม่ได้เห็นไหมไม่มีใครแย่งไปเลยนะรักมันเป็นยังไงรักเราเคยเขียนสกลสนอนอ้าวด้วยรักและผูกพัน ทั้งผูกทั้งพันกลัวมันหลุดใส่กาวเยี่ยห้อลักไปด้วยแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็กอดขอกันข้ามภพข้ามชาติไงเห็นไหมทั้งหมดเลยคือเพราะว่าเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะมีนางสาวเอคนหนึ่งเป็นโรคเอ e แอล LE, โรคพุ่มพว ง, พงดวงจันทร์ผมเนี่ยร่วงหมดแล้วหน้านี้เกียมหมดเลยมันแพ้ทางผิวหนังมาที่ศูนย์นกลางวันนะเด็กมันเห็นวิ่งหนีเลยคิดว่าเป็นผี หมอบอกว่าไปทำใจซะอีกสองเดือนเนี่ยพุ่มพวงจะมารับไปเป็นหางเครื่อง <c oughs> <c oughs> เขามาอยู่ที่นี่สามเดือนเขาเวียงเวียงเวียงเวียงเวียงเวียงมันหายไงผมยาวขึ้นมาเนี่ยหน้าเขาเป็นคนสวยหน้าสวยกว่าเก่าอีกเพราะเลือดดงมันวิ่งมันก็ไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีเขามีแฟนแล้วแต่ไม่มีลูก บังเอิญแฟนมันเนี่ยมันฉลาดมันไม่ไปมีชู้หรอกมันไปมีกิ๊กนะ่ะถ้ามีชู้นี่ผิดศีล น, นะมันไปมีกิ๊กไงไอเช่าเอเนี่ยมันเครียดมันก็ไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาอาการมันกำเริบตอนนี้เขารู้ว่าต้องไปไหนละเขาก็มาที่นี่อีกสี่เดือนแล้วลึกชาติได้ยี่สิบขชาติเขาเห็นหมดเลยกรรมที่เขาสร้างมามีอะไรบ้างนะพราะรูพูดคร่าวๆให้ฟังว่า ก็มีชาติหนึ่งเขาเป็นชาวแถวแถวสุขโขทยัยหรืออะไรเนี่ยละเป็นผู้หญิงแล้วก็สามีเขาเนี่ยถูกเกณฑ์ไปรบกับพมา่านะตายกันเกิือนเลยเขาก็ไปเดินไปเห็นสามีเขานอนตายตอนนั้นก็อายุมากเลยนะคนแก่คนหนุ่มไม่รู้อะไรถูกเกณฑ์ไปนั่นนะ่ะมันมันทุกข์มากเขาก็อธิษฐานจิตว่าจะตามสามีเขาไปทุกชาติ เกิดเป็นหมูก็ไม่สบายอีกไอเอนี้ไม่สบายมาตลอดนะเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรก็ช่างไม่ตายดีสักชาติเพราะมันเคยเป็นนายพานไปฆ่าสัตว์เขเห็นหมดเลยนะแต่ชาติสุดท้ายที่ก่อนจะมาเกิดเป็นเอมันเป็นไม่ชีมมีโอกาสได้บวชอันนี้สงส่วนนั้นน่ะไอ้กรรมที่สร้างไว้ก็ต้องรับแต่ไอายุุนเี่ก็ทําให้มาเจอนะก็ครั้งสุดท้ายนี่สี่เดือนเดือนสุดท้ายสาสบสามวันเนี่ย เขาไม่กินข้าวเลยเขากินอะไรก็ไม่ได้น้ำได้ดื่มแค่ระคายของไม่ให้ถึงกระเพาะพวกกูบอกนะโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคมะเร็งเนี่ยไม่ใช่กินชีวจิตชีวจิตเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ไปเสริมมะเร็งไม่ใช่ตัวรักษาตัวรักษาคือไม่ต้องกินอะไรเลยให้มะเร็งมันแห้งตายแต่ข้าเราไม่ฝึกจิตไม่มีพลังจิตสามวันเราก็เดี้ยงละ่ะเป็นลม เอไม่กินข้าวสามสิบสามวันแล้วมันวิ่งอยู่ในศาลานี่นะใครวิ่งก็ไม่ทันพลังจิตพอวันสุดท้ายเนี่ยมันหมดแรงลงไปปุ๊บเราก็ไปไปให้น้ำเกลือกันค่อยๆฟื้นฟูอาหารเหลว อ, อะไรเนี่ยมันก็ฟื้นทีนี้พ่อครูก็ก็มียาทธรรมอีกคู่หนึ่งวันนี้มาน้นั่งอยู่ข้างหลังคุณอ้วนคุณเกี่ยวนะบ้านอยู่สีอยู่อ ย, อยู่อยู่สีลม ปีนั้นก็บอกมาขออยู่กับพ่อครูพ่อครูว่าเออลองอยู่ก่อนสองเดือนแต่มีข้อแม้สองข้อหนึ่งไม่ให้ใช้เงินสองไม่ให้ทำงานถ้าทำได้ก็อยู่ได้ก็แกก็ทำได้นั่นล่ละโอเคเมื่อก็ทำได้พอดีบังเอิญเออมันหายก็ไปเราไปเที่ยวผาแต้มกันไปตั้งแต่ดีสตรงขงเจียมเนะาะบังเอิญเช้านั้นน่ะท้องฟ้าสวยมาก ดาวยังมีเต็มเลยนะพระจันทร์ยังอยู่เลยสักครู่หนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นมาเขาก็ไปถ่ายรูปกันอะไรเนี่ยแล้วก็มานั่งแบบนี้แหละเพราะกูบอกเห็นอะไรบ้างไอ้เจ้าเอบอกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเพราะว่าอยู่ไหนเ็บอกนั่นไงนั่นไงเพราะกูก็มองว่าไหนไหนพระอาทิตย์ขึ้นบ่ดนั่นไงนี่ไงพราะคูไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะโลกมันหมุนเห็นไหม พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงลงกี่โมงเนี่ยเด็กมันก็เข้าใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ไม่เคยขึ้นไม่เคยลงโลกเรามันหมุนไอ้เจ้าเองนบอกมันเวียงทิ้งหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่เวียงไม่ทิ้งมันอกหักเพราะแฟนไม่รักเพราะคูบอกเอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธออกหักเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะแฟนไม่รักเป็นเพราะเธอเป็นหลงรักเขาเวียงทิ้งต่อไปพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงโลกมันหมุนเห็นไหมเราชอบโทษคนอื่นใช่ไหม อุ้ยอกหักอกหักบางทีฆ่าตัวตายเด้อเพราะว่าแฟนไม่รักจริ ง, รงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่รักเราเป็นเพราะเราไปหลงรักเขาตั้งหากอัตหิอัตโนนาโทไม่ต้องไปโทษใครถ้าจะโทษนะโทษตัวเองเถอะตั้งแต่วันแรกที่มันเกิดขึ้นมามันหลงมาเกิดแหกปากร้องนั่นแหะเราผิดพลาดทั้งหลายชาติละถ้าไม่อยากผิดพลาดอีกไม่อยากอกหักอีกไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอีก จงจำไว้อย่ากเกิดอีกเด็ดขาดแล้วทำได้นะครับถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าโอเคนะก็เห็นคนใหม่ก็รักไปเรื่อยๆเลยอเพราะอะไรรู้ไหมนะเพราะความที่เรามีการมราคะเนี่ยคำตอบคือว่าปฏิบัติเยอะๆล้างมันออกซะเนาะ วิธีที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งก่อนจะลาเข้ามาอย่าไปทิ้งเขานะลาเขามาบวชชีที่นี่รับรองเขาไม่ฆ่าเขามาส่งด้วยวมีน้องสาวโมโหลายคอยจะจับผิดเราตลอดเวลาขนาดเธอตั้งท้องก็ไม่ละเวน้นเราคิดว่าจะเลิกทำงานด้วยกัน แก้ไขคนชอบรับผิดอย่างไรคนคนชอบจับผิดอย่างไรอย่าทําผิดเมื่อไม่ผิดแล้วใครจะไปจับผิดได้ยังไงฮะไม่อยากเสียเหลี่ยมก็อยมีเหลี่ยมไม่อยากลืมก็คือไม่ต้องจำแก้ที่ตัวเราเราไม่ผิดมันจะไปจับผิดได้อย่างไรใช่ไหมส่วนเป็นนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ถึงเราจะไม่ผิดก็ช่างมันก็จับอยู่ดันนะก็ให้มันจับไปถ้ามันไม่เหนื่อยบอกมึงอย่าเลิกจับนะ <laughs> มึงจับไปเรื่อยๆนะมึงห้ามเลิกนะ เราก็อย่าผิดสิมันจะใครกันไปจับเราได้หรอแก้ที่ตัวเองเนาะถ้าเราขี้งุดอิกกับพวกนี้เราหนีไปไหนไ ม, ไ, ไม่ได้หรอกที่เมื่อกลางวันพ่อคูคุยครึ่งหนึ่งนะพ่อคูมีเพื่อนฝรั่งชื่อไมเคิลรักกันมากเขาเป็นเศรษฐีเนาะเขาอยู่เรือยอดเขาซื้อบ้านริมทะเลหลายประเทศ มันไม่อยู่กับคนไม่ได้มันหงุดหงิดหมดเห็นหน้าใครมันก็เบื่อมันเป็นเป็นโรคเบื่อสังคมพ่อครูมาที่นี่มันก็เอรือยอดไปภูเก็ตมาอยู่ภูเก็ตมาเยี่ยมพ่อครูที่นี่นะเขาก็ชอบน้ําเขื่อนอยู่เขาบอกไม่ใช่ทะเลเขาอยู่ไม่ได้มันเป็นอุปทานมันนะแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่ภูเก็ตอีกอยู่ไม่ไม่ถึงเดือนมันมันบอกข้างบ้านไม่ดีแล้วมันก็ไปซื้ออีกหลังอยู่บนภูเขาอ่ะนะ มัเอินมันโชคลายยังไงก็ไม่รู้มันไม่ไปสำรวจดีๆยังๆหลังบ้านมันก็เป็นฟามูอีกมันกลัวไอ้ฟามูไม่ดีเ <c oughs> พราะครูบอกน้องชายเพราะครูเข้ามาที่นี่ <c oughs> ช่วยไปบอกไมเคิลหน่อยนะ <c oughs> อีกหน่อยมันไปอยู่ในป่าคนเดียวมันจะหาเรื่องว่าลิงมองหน้ามัน <c oughs> <c oughs> มีแต่โทษคนนั้นโทษคนนี้เนาะ <c oughs> ตอนแรกหมุนด้วยความเร็ว คงที่อยู่พักหนึ่งแล้วมีการเร่งความเร็วขึ้นทำให้ต้องเพิ่มสติขึ้นบางทีไปรู้ที่เท้าบางทีก็รู้และปล่อยความคิดโดยทำให้ว่างบางทีก็รู้ว่ามีคนกลิ้งมาใกล้ๆก็หลีกนี่คือการเจริญมหาสติหรือเปล่านะก็คำว่าเจริญมหาสติเนี่ย อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการเจริญสตินะแต่เราใช้มหาสติเรานี่เจริญมรรคมหาสติเป็นแค่เครื่องมือในการเจริญมรรคแต่ไม่ได้ตั้งใจไปเจริญสติเนาะนั่นแหละในเวลานั้นน่ยอะไรมาแล้วก็รู้หมดแล้วก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่ถ้าเรากังวลปุ๊บเนี่ยเราจะเซอะไรเวลาเราหมุนเร็วๆทีนี้จิตเรามันหมุนสมมติว่ า, ามันหมุนได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเมื่อเราชำนาญแล้วมันจะเร่งสปีด ทำให้เราต้องใช้สติที่เร็วกว่าจิตเดิมมาฝึกจิตปัจจุบันนะนี่แหละเพียงแต่ว่าไอการหมุนวนตรงนั้นน่มันคือต้องรวมกายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าเราเจริญอนุสติทุกวันนี้เราก็อยู่ในฐานกายอย่างเดียวนะอยู่ในอริยบทยุบพองพุทโธกรชั้พุทโธนี่ลมหายใจไม่ใช่กายด้วยนะลมหายใจเป็นของนอกกายซึ่งใกล้ชิดตัวเรามากที่สุดนะนอกจาก ดินน้ำลงไฟแล้วก็บิญญาณธาตุแล้วเนี่ยนะมันต้องพึ่งอากาศหัวใจต้องเต้นนะมัต้องอาศัยลมหายใจเนี่ยผู้เจ้าไม่กล่าวถึงลมหายใจเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องสแสวงหาเพราะองค์กล่าวถึงเรื่องปัจจัยสี่ที่เราต้องมีปัจจัยสี่เราต้องจะอยู่ได้นะแต่ลมหายใจไม่ต้องสแสวงหานะลมหายใจเป็นของนอกกายซึ่งใกล้ชิดเราที่สุด บางทีเราไม่กินข้าวสามวันห้าวันไม่ก็ทั้งเดือนหลายหลายเดือนถ้าเกิดคนฝึกกรรมาฐานเนี่ยก็อยู่ได้ไม่ตายแต่ถ้าไม่หายใจสามนาทีเราก็ตายละมันมีความสำคัญมากแต่ตอนนี้ลมหายใจเนี่ยสงสัยสมัยอีกต่อไปนี่ไม่นา น, นต้องซื้อนะอาจจะผูกคอออกซิเจนไปในตัวด้วยเนยเร่องจากบนภาว่ามันไม่ดีนะก็ อ, อันนี้ก็คือช่วงที่มันใช้แรงเวี่ยงเร็วๆ เ, เนี่ยจิตเราก็อยู่ตรงกลางน่มันก็หมุนวนเร็วๆ เ, เนี่ย นะอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้หมดแล้วนะแต่ถ้าถ้าเราไม่ว่าสัตว์แต่ว่ารู้นะเราไปกังวลปุ๊บเราเซเลยเราดูจากวงจรนั้นทันทีนะอันนี้ก็ถือว่าจิตมันกำลังเจริญมรรคจิตส่วนมหาสติปัฏฐานเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระครูบอกว่าการเจริญมรรคเราเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือ37ประการ ไม่ใช่สตินะฝึกสติสติสมาธินะสติสมาธิเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมรรคยกตัอย่างว่าเราจเจริญเจริญมรรคนี่ต้องประกอบด้วยเราต้องมีสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตทำเทวดาทำไม่ได้นะเพราะเทวดาไม่มีกายเทวดามีหน้าที่เสพกรรมดีที่ตัวเองเป็นหลงติดมันเทวดาจึงทุกข์มากที่ต้องเสพสุขไม่เสพไม่ได้เพราะหลงปติดกรรมดี นะเราทำดีทำแค่พอดีแต่ถ้าเราไปติดดีเมื่ อ, อไหรน่นี่สวรรค์สมบัตินะเสียวเวลามากเหลือเกินพอเสพกรรมดีนั้นแล้วเนี่ยวันแรกเกิดลงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็แหกปากร้องอีกเทวดาร้องง่ายทำไมสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ใช่ทางผลทุกนะทีนี้เรามีสติปัฏฐานสี่นะต้องใช้หลักอิกทธิบาทสี่ คือสร้างอารมณ์ว่ามีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทํามีฉันทะเมื่อมีฉันทะปมก็มีวิริยะจิตตะต้องตั้งมั่นนะเจออุปสรรคอะไรไม่ถอยนะคือตัวสมาธินี่แหละตั้งมั่นถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบีมังสาก็เกิดขึ้นนะประสบการณ์ที่เราทําไม่เรื่อนเราจะเกิดปัญญานี่คือหลักอิทธิบาทสีไม่พอนะต้องใช้เครื่องมือนี่สัมมัตประธานสี่นะ สมัปฌพทานสี่คือสํารวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปคือขัดเก่าเรื่อยๆนะเพียรสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นนะสํารวมระวังไม่ให้กุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปนี่คือสมัชฌพทานสี่ไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวเตือนสติเรานะอิทธิบาทสี่สมัชฌพทานสี่แล้วก็สติปทานสี่รวมกันแล้วเป็นสิบสอง แล้วต้องใช้อินทรียห้พละหที่เรามีอยู่แล้วนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทางส่วนหนึ่งยิ่งทํายิ่งใช้ก็ยิ่งแข็งแรงพละกําลังก็มาเห็นไหมอินทรี่ห้าพละหก็บวกกันเป็น10รวมกับสิบสอก็เป็น22ถ้าเราเจริญมหาสติปัฏฐานได้เข้าไปในจิตในจิตได้ได้แล้วเนี่ยไอ้โพชฌงทั้ง7ดเนี่ย ซึ่งเป็นบารมีเก่าเราเนี่ยอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเนี่ยเขาก็จะแสดงตัวโพชฌงเจเห็นไหมกลายเป็นยี่สิบเกบวกกับมรกมีองแปดนะเห็นชอบดํ m ริชอบวาจาชอบอาชีพชอบการกระทำชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบทั้งหมดรวมกันเป็นโพธิ ป, ปักขียธรรมสามสิบ็ดประการการเดินทางไปสู่นิพพาน ใช้เครื่องมือสารบิด็จไม่ใช่แค่ไปฝึกสติฝึกสมาธิไปติดไอรูปแบบตรงนั้นแหละมันก็ได้ความสงบชั่วครู่แต่ปัญญาไม่เกิดเอาสปริงไปกดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดนอกดนอก้น อ, น อ, นอมันก็สงบเผลอปุ๊บถูกไอลูกตัวโตชนปุ๊บเด้งผางอีกเห็นไหมนีอันนี้เรากดไว้มันไม่ใช่ทางผลทุกแต่มันเป็นความสงบชั่วครู่เราต้องทําลายสปริงซะยืดมันออก เวลายืดมันออกนะต้องใช้เครื่องมือสามสิบเจ็ดประการเพราะว่ามันต้องใช้พลังมหาศาลนะเมื่อยือดมันออกหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเลยนะมันเป็นแค่เหล็กเส้นหนึ่งมันไม่มีไม่มีผลแล้วมันเด้งไม่ได้อีกแล้วนะนั่นแหละคือสงบตลอดการไม่ใช่ไปฝึกวิชานั้นวิชานี้นะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสติไม่ใช่เจริญสมาธิแต่ต้องเจริญมัดผล นิพานพวกเราที่เข้าไปในจิตได้แล้วเนี่ยที่มันไล่ลำต่างๆมันเต้นมันหมุนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอินไซ์เอาข้างในสังข้างนอกเห็นไหมมันเป็นสติสัมโพชงมันเป็นสติตามธรรมชาติซึ่งอิสระมากข้างนอกนี่ที่เราฝึกสติมันเป็นโลกียะสติเป็นสติซึ่งไม่อิสระอยู่ภายใต้สมมติบรรัญญัติประเพณีวัฒนธรรมและมารยา โจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่ะะนั้นมันป้นไม่สาเร็จแต่มันไม่มีศีลไม่มีปัญญาไม่ใช่แค่สตินะสติไม่ใช่พัยเอกนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไปที่ไหนฝึกจิตก็สติทั้งนั้นแหละมันคาเละแป๊กไงหลวงพ่อชาเตือนบ่อ ย, อยตอนที่ท่านอยู่นะวจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนสมัยก่อนพวอกูยังเด็กๆ ก, ก็ยังงงอยู่ ก, ก็ถือศีล น, นั่งสมาธิมันก็ดีแล้วไง แต่ทุกวันนี้เข้าใจท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีถ้าบอกมันจะไปไหนมันก็อยู่สติอยู่กับสมาธิเนาะเอาละว่าการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนีพานนะไม่ใช่เจริญสติไม่ใช่เจริญสมาธิก็ข้อต่อไปเมื่อและเมื่อหมุนครั้งต่อไปเริ่มด้วยความเร่งคงที่และมีการเร่งความเร็วขึ้นอีกกลายเป็นรู้สึกว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการหมุนไม่มีความกลัวไม่มีอารมณ์ในหัวว่างและเหมือนนิ่งอยู่กับตัวเองเท่านั้นไม่สนใจสิ่งรอบข้างไม่ต้องกังวลเรื่องเท้าว่าจะล้มหรือไม่นี่คือเอกคตาลมหรือหรือเปล่าอันนี้เลยเอกคตาลมไปแล้ว นะเอกคตาลมเนี่ยคือฌานสี่เป็นสัมมถกรรมฐานถ้าเราไม่เลยฌานสี่เนี่ยเราก็เข้าไปในจิตไม่ได้ถ้าจิตมันไม่ทํางานมันก็หมุนไม่ได้หรอกถ้าเราใช้สมองหมุนเนี่ยลมแล้วสามรอบอันนี้เป็นโพชงนะเอกขตาลมคือฌานสี่เราต้องข้ามผลวิตกวิจารปิติแม้กระทั่งความสุข แต่เป็นอารมณ์นะอารมณ์นั่นคืออารมณ์ที่เราอุเบกขาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเอกขตมอันนี้มันเลยแล้วนะอันนี้มันเป็นอุเบกขาสัมโพธชงแต่ถ้าเอกคะาตารมเนี่ยมันเป็นอุเบกขาธรมรมดานะเหมือนเหมือนพรมวิหารเนี่ยพรมวิหารสี่นี่พรมนี่คือมนุษย์ผู้ประเสริฐวิหารคือที่อยู่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐ มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีเพื่อนฝรั่งพระครูที่เขารักพระครูเนี่ยเขาก็ศึกษาศึกษาเขาห่วงว่าพ่อครูจะหลงทางนะเขาก็บอกว่าทําไมอุเบกขาในพุทธศาสนามีหลายแห่งมันแปลว่าอะไรนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นมนุษย์ผู้เปรต เ, เราอุเบกขาแต่ว่าเราเขาด่าเราเราเกิดความรู้สึกละไม่พอใจแต่เราบอกช่างมันเกิดเราให้อโหสิกรรมมัน อันนี้เราก็นิ่งไม่ต้องสร้างกรรมใหม่อันนี้อุเบกขาของพรมแต่สัญญาใหม่มันบันทึกไว้แล้วว่าเราไม่พอใจมันแต่เราให้อภัยแต่ถ้าอุเบกขาสัมโพธชงเนี่ยนะมันเป็นอุเบกขาของพระอริยะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ไม่ต้องให้อภัยอะไรเลยเราไม่บาดเจ็บนะ ช่วงที่เราหมุนเวียงๆเนี่ยมันเป็นอุเบกขาสัมโพชงนะมันเลยขั้นเอกคตาลมนี่คือคำตอบนะแล้วก็มีอีกสองข้ออันนี้มีคนเขาส่งเมลมาตอนนั้นจะเป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่ต้องผู้รู้นะทัศนะที่พ่อครูบัญชาเขาเขียนว่านักธรรมสมาธิเวียง ข่าวนี้มีส่วนพอฟังได้แต่ไม่ถูกทั้งหมดเนื่องจากไม่ควรลืมว่าตําลานั้นเป็นแนวทางในการที่จะทําให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักแล้วการปฏิบัติจะดําเนินไปได้จะมีองค์ประกอบมาจากปริยัติคือการฟังหรืออ่านแล้วส่งต่อไปสู่การปฏิบัติตาม จึงจะทำจึงจะเข้าถึงปฏิเวทได้และพึงเข้าใจว่าพระองค์ทรงตรัสว่าตราบใดที่สาวกของพระองค์ยังไม่สามารถพูดอธิบายและปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้พระองค์จะไม่ปรินิพานด้วยเหตุที่จุดอ่อนดังกล่าวนั้นไม่มีแล้วหลักธรรมคาสอนของพระองค์ทุกท่าน สามารถเข้าถึงได้รวมถึงอธิบายได้ด้วยจึงทรงปรงพระไทยที่จะละสังขารอีกทั้งไม่พึงกล่าวว่าภาษาหยาบใช้สื่อความหมายไม่ได้เนื่องจากการบรรลุธรรมเริ่มต้นที่ร่างกายนี้จึงสรุปว่าถ้าจะไม่ใช้ภาษาเขียนในการสื่อหลักธรรม นั้นไม่ถูกต้องแต่จะสื่ออย่างไรให้เหมาะสมเท่านั้นเองอันนี้เขาไม่ไม่ยอมรับที่พ่อครูบอกว่าภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่พวกครูไม่เคยบอกว่าภาษามันไม่ดีนะนี่ก็อ้างพระเจ้าอ้างพระไตรปิฎกว่าต้องปริยัตปฏิบัติปฏิเวท ถ้าอ้างผู้ริเจ้าจริ ง, รงๆนี่ผู้ริเจ้าไม่เคยมีปริญัตอ่านเลยนี่นะอ้างผู้ริเจ้าไม่ทําตามผู้ริเจ้ามีแต่อ้างตัวหนังสือที่เขาเขียนผู้เจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อตําราไงเราจะเข้าใจผิดไงจบด็อกเตอร์ทางศาสนาจบประริญญาเก้านะคนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนนึงแปลว่าอนัตตาเห็นไหมคําว่านิพานไม่ได้สะกดปิดก็ตัวเดียวกันคนหนึ่งบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะ พ่อครูไม่ได้บอกกับพ่อครูก็ใช้ภาษาสื่อกับพวกเราพ่ะองค์ก็ใช้ภาษามาบอกแล้วว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั่นเห็นเราตถาคตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตเกิดขึ้นทีหลังปริยัตนั้นเหมือนแผนที่เหมือนลายแทงเนี่ยพ่อครูก็มีนะ่ยชุดใหญ่ๆเขาเอามาให้ร้อยเล่มแต่ตอนนี้ชุดใหม่เขาไม่อานี่ล่าสมัยแล้วนะเขาเปลี่ยนเป็นสี่สิบห้าเล่มพราอครูเคยถานพ่อรู้ว่า พระธรรมพระพุทธพระธรรมผสมพระธรม ร, ะธรมในใ น, ยนิยรัลตนไตนี่แปลว่าอะไรแกบอกเป็นคําสั่งสอนพระเจ้าเพราะพวกคุอาอยู่ไหนพาไปดูหน่อยคําว่านั่นไงพระไตรปิฎกไงบอกจริงเหรอพวกคุอาจริงเหรอถ้าพระไตรปิฎกเป็นคําสั่งสอนพุระเจ้าพวกท่านเป็นใครบางอาจไปเปลี่ยนคําสอนพระเจ้าจากร้อยเล่มอยู่สี่สิบห้าเล่มบางอาจ พระธรรมเนี่ไม่ใช่คําสั่งสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นผู้เจ้าไปตัดสั้นมาพระธรรมมีอยู่คู่โลกคู่จักรวาลอยู่แล้วมีก่อนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะประสูติอีกแล้วก็ในในพระไตรปิฎกก็บันทึกเองว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้อีกยีสบเจพระองค์จะเป็นพระทีปังกรพระตัสสปะขระช่างเนี่ยก็ไม่มีพระไตรปิฎกอ่านรวมทั้งเจ้าชายสิทธัตถะด้วยทําไมท่านเหล่านั้นบรลุธรรม นี่แหละคือศึกษาธรรมะแบบซื่อบื้ออ้างวิชาการทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองกับพ่อไอ้นี่แหละนะพเพราะคูไม่เคยบอกว่าภาษามันไม่ดีถ้าไม่ดีพรอครูใช้ภาษาทำไมแต่ใช้เท่าที่จําเป็นผู้เจ้าก็ใช้ภาษาบอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราปรตสกาขากด ต, ตอนนี้ว่าแปลพระธรรมเป็นพระไตรบิดกนะ แม้กระทั่งศาสนาพุทธพุทธใจเบโดกอะไรนี่มันเกิดขึ้นทีหลังผู้เจ้าจากไปแล้วตั้งนานความรู้เกิดจากไปท่องจําเรียนแบบเข้ามาไงพ่อครูบอกแล้วพ่อครูบุญเยอะแน่ๆโชคดีมากที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไงเรามาอ่านดูทีหลังแค่อ่านหนังสือออกก็อ่านได้แล้วไม่ต้องให้ใครมาบอกเราแต่สําคัญว่าจําเป็นต้องอ่านไหมถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงเราจะจะเข้าใจว่าเออ อารมณ์ที่เราเจอเนี่ยเขาสมมุติชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็ไปเปิดดูโอเคไม่ต้องแปลนะหลายปีก่อนพระครูถูกเชิญไปบรรยายธรรมที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะนะกำลังบรรยายเดียวครูบาอาจารย์ที่เขียนปฏิสมุิบาตเป็นสื่อการเรียนการสอนขายทั่วประเทศเนี่ยมาขอแลกเปลี่ยนพระครูนะจริงๆแล้วโดยมารยาทก็ไม่ควรทา ใชม่มีอะไรก็คุยกันคืออะไรไหมนะชกยศสมขอมท่านถือโอกาสนี้จะนั้นท่านก็เอาเลยไล่ที่ท่านชนานาญมากเลยว่าอาวิชาทำให้เกิดสังขารถ้าสังขารไม่เกิดนี่จิตวิญญาณไม่มีพวกกูบอกเดียวอย่าพึ่งไปไม่ยอมให้พวกวกูพูดบอกเดียวไม่ต้องเอาไม้ก็ได้อย่าข้ามถ้าจิตวิญญาณไม่มีแล้วเนี่ยใครเป็นคนคิดปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนมีวิชาเนี่ยบย่ บอกข้างในไม่มีหรอกครูบาอาจารย์บอกเนอย่าไปพูดนะสิ่งที่เราไม่มีอวดอุตลิมนุสเซียรมไปอ่านเก่งเท่านั้นมาเขียนตำราขายไงถ้าจิตไม่มีใครเป็นคนคิดปรุงแต่งเมื่อกี้นี่ใครเป็นคนมียวิชาเหรอมันอยู่ในอากาศเหรอวิญญาณในปฏิส ม, มุทรบาเป็นแค่วิญญาณปฏิเขาเรียกวิจิณิวิญญาณวิญญาณเกิดมันก็เชื่อมต่อวิญญาณอื่นน่ะวิญญาณเกิด ทุกอย่างก็เกิดมามันเป็นมันเกิดดับวิญญาณมันเกิดดับแต่จิตมันไม่เกิดไม่ดับคือถ้ายังเข้าไม่ถึงตอนนั้นคือเขาเขียนมาพยายามวงสิบสองขั้นตอนให้มันเชื่อมกันเนี่ยพราะคุณไม่เคยอ่านนะพอได้ยินผู้พระภูเก็แยง้งบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าจิตไม่มีเนี่ยใครเป็นคนคิดปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยทำให้มันเกิดวิญญาณถ้าจิตไม่มีใครเป็นคนมียวิชาเหรอใช่ไหมสิบสองขั้นตอนพยายามลิงก์ n g ให้ไปกลมๆว่าผู้เจ้าแสดงปฏิสธบทบาทหลังจาก โอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นพระครูก็สนใจไปเปิดดูพระครูก็เข้าใจแล้วนะเขาพยายามลิงกในยะนี่คือว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะปฏิสมบูบาทคืออิทัพปัจญิตาเนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าบอกว่าทุกอย่างไม่เกิดขึ้นลอยลยตัวเราไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็บิญญาณธาตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆยอย่างเดียวนะ แม้กระทั่งสัตว์เซลล์เดียวมันก็มีส่วนประสมอย่างอื่นออสต์เป็นคนพบทฤษฎีนี้ทฤษฎีสัมพัทธภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องมันเป็นเซี่ยวหนึ่งของปฏิส ม, มุทบาทไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะมีบางคนนี่ไปเขียนหนังสือออสต์ตายพบผู้เจ้าเห็นออสต์ตายถามผู้เจ้าตอบบางอาจเอาออสต์ตายมาเปรียบเทียบกับพผู้เจ้ามันคนละเรื่องออสต์ตายถ้า กับชาติมาเกิดนะเขาเห็นว่าที่เขาค้นพบเนี่ยมันสร้างอาวุธนิวเคลียร์มันจะกระอากเลือดตายแต่ไม่ใช่เขาไม่ดีไม่ใช่ผู้เจ้าไม่รู้นะเรื่องนี้อะไรที่ตัดออกมาแล้วมันมีโทษผู้เจ้าไม่ทรงแสดงใช่ไหมถ้าเราพูดภาษาพูวิชาทาให้เกิดสังขารมันมีเบื้องต้นแล้วไงมันมีเบื้องไปาภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นอย่าไปแปล ปฏิบัติให้มันเข้าถึงแล้วดูว่าเออเป็นสัญลักษณ์ก็ทําให้เราดูแค่นั้นพอเนี่ยผู้รู้นักวิชาการทําให้ศาสนาไม่รู้จะเป็นไหนเพราะครูไม่ใช่จะพูดใส่ใครนะเพราะว่าเขาหลงในความรู้เขาเขาหลงไม่พอก็พาคนอื่นหลงด้วยแล้วลูกหลานเราต่อไปจะพึ่งใคร่ะก็จบสูงสุดแล้วคนหนึ่งบอกนิพพานเป็นอัตตาคนหนึ่งนิพพานเป็นอรันตานี่ไง เอาคุณบอกคุณมีสิทธิเพราะูก็มีสิทธินะเพราะครูเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งใช่ไหมถ้าในเรื่องสิทธิเขาพ่อคูพูดหน่อยหนึ่งนะจบด็อกเตอร์ไปไหนไปปฏิบัติไปไปแสดงธรรมคุณไปแสดงธรรมไม่ได้นะจบแค่ดอกเตอร์ไปแสดงธรรมเลยเดี๋ยวธรรมะมันจะเลือดเลือนคุณไม่เห็นธรรมคุณไปแสดงธรรมได้อย่างไรแต่คุณไปสอนวิชาพุทธศาสนาได้อย่าไปแปร สิ่ง้ามีกี่ข้อปฏิบัติมีกี่ข้อเนี่ก็เขียนกันคุณอย่าไปแปรมันจะเพี้ยนไงตอนนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วละ่ะนะไปกันใหญ่แล้วความรู้เกิดมาจากการอ่านมันอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสุตม ย, ยปัญญาบางทีฟังพระคุบทเข้าใจแต่มันไม่เข้าจิตอะใช่เข้าใจเข้าใจพอกลับบ้านก็เดี๋ยวซิ่งอีกใช่ไหมมันไม่เข้าจิตไงเห็นไมละ่ะ บางทีก็เกิดจากจินตนาการจินตนาหมาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากสามสถานนี่แหละจากสุตมัจจยปัญญาจินตมัจจยปัญญาภาวนาไม่ปัญญาแต่ผู้เจ้าไม่ได้ส่งเสริมสองข้อนั้นเพราะว่ามันยังไม่เพียวไม่ใช่ไม่ดีนะบางคนโชคดีมากเกิดในยุคพุทธกาลเนี่ยฟังคำํำพินิจบรรลุธรรมเลยก็มีแต่ไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วส่วนมาก เราไปคิดเอาเองบางบางคนเขาจินตนาการเขาคิดเ อ, เองเขาก็บรรลุทำได้แต่มันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่ทางสายกลางส่วนมากเราคิดเข้าข้างกิเลสเราเนี่ยมันไม่เพียวมันไม่บริสุทธิ์พระองค์ส่งเสริมภาวนามายปัญญาคือให้เราเหมือนเราเราไปฝึกวิธีเพ่งน้ํามันไหลามาเราก็นั่งสมาธิเล็งอยู่มันวัยหนอวัหนอไอ้น้ํานี่มันวัยวัยวัววว ถ้าเรามีสมาธิตั้งมัน่นเราก็ประสบการณ์ในชาตินี้เราเนี่ยไปคาดคะเนว่ามันน่าจะเร็วกี่ ก, กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะหกสิบนะคนนับอกน่าจะห้าสิบนะอันนั้นเป็นแค่จินตนาการมันมันไม่ใช่ของจริงภาวนาไม่ปัญญาต้องทําแบบโดดลงไปในน้ําเลยโดดลงไปเลยแรงกระทบมันอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นมันร้อนอยังไงเราก็รู้อย่างนั้นน่ะโดดเข้าไปในจิตเลยไปสัมผัสอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองเลยนะ นั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ใช่ไปท่องบทสวดมนต์เฉยๆให้นะอันนั้นเป็นแค่เจริญสติแล้วก็ฝึกสมาธิสวดมนต์ตั้งมั่นอย่างนั้นมันไม่ได้ผิดเราสวดมนต์ดีกว่าเราไปคิดโน่นคิดนี่สร้างมโนกรรมแต่มันเป็นแค่อุบายวิธีทำให้เราจดจ่อยิ่งสวดไปด้วยถูกเขาหลอกว่าสวดสวสวดนะสวดสวดโน่นสตดนี่เออจะได้ขึ้นสวรรค์สวดสตรต้นฉุนนี่จะได้ถูกละวันที่หนึ่ง ส่วนแล้วก็ขอขอขอขอขอเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยผู้เจ้าบอกอักตเห์อัตโนโนาโถตนแล่ย่อมบิฏพึ่งแห่งตนอย่าไปขอพระองค์นะทุกวันนี้เรากราบพระพุทธรูปบางสมัยก่อนมีลทัทธิหนึ่งเขาด่าเลยนะไอ้พวกโง่นี่ไปกราบพระอิฐพระปูนไม่รู้ใครโง่กันแนะ่เราไม่ได้กราบพระพุทธรูปเนี่ยนะในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนรูปในหลวงของเราลายชนินีเนี่ยเหมือนฉายาลักษณ์ เป็นสั ญ, ญลักษณ์เราวกาพรพระพุทธลูบนี่เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสเพื่อเราจะได้เตือนสติเรามุ่งมั่นทําเหมือนพระองค์ไม่ใช่ไปการในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอนว่ขอนี่ผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยบินมาจากเยอรมันเห็นไหมห่อได้ไม่กี่ชั่วโมงถึงบังไทย เดี๋ยวเราบินกับกรุงเทพชั่วโมงหนึ่งเห็นไหมเราตาทิพนะเขาแสดงละครที่ลอนดอนเราก็เห็ น, เ ห, นเห็นไหมคูทิพด้วยเพื่อนอยู่ที่โตเกียวคุยมาเนี่ยมันไม่ได้ทาให้เราพ้นทุกข์แต่พระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทําให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเชื่อฝั่งพระองค์ใครกราบไหว้พระพุทธเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคูถือว่าดูถูกพระพุทธเจ้า พระธรรมนี่ไม่ใช่คาสั่งสอนผู้ริเจ้าในวงเล็บเท่านั้นไอต้ตนที่เป็นคําสั่งสอนเป่งออกมาเป็นภาษาแล้วจะเป็นภาษาบาลีสันสกิตหรืออินเดียโบราณเนี่ยเป็นภาษาทึ่งมนุษย์สร้างขึ้นภาษานี่มันไม่ใช่ความจริงมันคือสมมุติผู้เจ้าถึงล็อกไว้เลยว่าอย่าพึ่งเชื่อตำลานะเห็นไหมนิพานตัวเดียวกันด็อกเตอร์แปลไม่เหมือนกันอย่าพึ่งเชื่อล็อกไปหมดเลย ไม่แต่อ้างผู้เจ้าไม่เคยทําตามพู้เจ้าเลยไม่แต่อ้างตานะําราเนี่ยมาจับถูกคนนั้นคนนี้เห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราด้วยบางทีท่านเป่งออกมาร้อยเปอร์เซนถ้าครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์จริงๆเขาไม่มีโกหกใครอแต่บังเอิญปัญญาเราไม่ถึงแล้วก็แปลภาษาผิดเหมือนแปลที่ผ่านอัตตาเนตตาเราก็ไปทําผิดไงเนี่ยนี่เยอะมาก คนทุกวันนี้เนี่ยชอบวิจาร์แต่ไม่เคยวิจัยเลยก่อนจะวิจารณ์ต้องวิจัยก่อนไม่เห็นพ๊กปูดใส่เลยสนุกดีวจีกรรมนะถ้าไปทำถึงจิต ท, ที่เขาบริสุทธิ์เหมือนเราเฟี้ยงบุ่มมาแรงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยแหละมันกลับมาย้อนสู่ตัวเองคนทุกวันนี้สนุกสนานนะแบบเล่นพวก โซเชียลมีเดียตรง น, นี้ต้องระวังคนโบราณก็บอกว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าวาเรื่องภายในบ้านไปบอกเขาอย่าวาเรื่องนอกบ้านมาพูดทะเลาะกันตอนนี้เหงาบอกคนทั้งโลกเลยฉันเหงาไปกินข้าวก็ถ่ายรูปว่าฉันกำลังกินไอ้นีเ่เผยไตหมดเลยเปิดกระโปรงหมดเลยแล้วยังไงล่ะ คนโบราณเขาบอกว่าสู้ศึกเนี่ยรู้เขารู้เราชนะทุกครั้งไม่รู้เขาหรอกเอาเอาเราบอกเขาหมดเลยแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะอันตรายมากนะเราคิดปุ๊บมโนกรรมพูดปุ๊บบจจกรรมพูดปุ๊ บ, บมันก็หายไปนะไปใส่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นกายกรรมและกายกรรมนี่ไปทั่วโลกเป็นหลักฐานด้วยนะถามป้ากูว่าทำยังไง ระวังใช้มันให้เป็นอย่าใช้มันให้มันตายใช้แล้วฆ่าตัวเองเนี่ยตายทั้งเป็นใช้มันนะอย่าให้เทคโนโลยีเหล่านี้มันใช้เรานะพวกคูถามเด็กเมื่อวานเนี่ยลูกมอเตร์ไซค์มีไว้ทำไมเอามาขี่ครับแล้วตอนนี้เยาวชนมันขี่หรือเปล่าไม่มันซิ่งตายตายตายตายตา ย, ตายโค้มหมดเลย เห็นตอนนี้โลกโลกโกที่รุนแรงกว่าโลกหัวใจในเมืองไทยนี่นะนะโลกญี่ปุ่นนะโลกซูซูกิฮอนดา้าไม่มีวัคซีนป้องกันอาจารย์อ้อยสร้างวัคซีนให้พรนะครูะฉีดปุ๊บมันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ตายเลยอย่างนี้นะเห็นไมโลกนี้ป้องกันได้ไหมสงการที่มานะพ่อครูได้ยินข่าวว่าตายสามร้อยกว่าคนเห็นไหม สงการพวกเรามาอยู่ที่นี่ปลอดภัยเห็นไหมรู้อยู่แล้วว่าตายวิ่งไปให้มันตายสติรู้อยู่แล้วออกไปนี่โดนชายลวนลามฉันก็วิ่งไปให้มันทําเพราะเราสู้ความอยากไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่ามันตายเห็นไหมมีวัคซีนป้องกันไหมต้องบริโภคยาพระพุทธเจ้าพุทธโอสถธรรมโอสถ ไม่มียาวิเศษไหนป้องกันนะก็ไม่เป็นไรนะพ่อครูก็ยังอนุโมทนาขอบคุณด้วยคนที่แสดงความพิ็นแต่ว่าไม่ใช่แสดงความพิห็ น, นะใช้ภาษารักษณะตำหนิติเตียนยกตนข่มท่านเนี่ยมันเป็นกรรมมีอะไรโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเวทีที่มาแลกเปลี่ยนดีมากถ้าไปแลกเปลี่ยนให้มันเกิดปัญญาเกิดความรู้แต่ไม่ใช่เอามาเมากันกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ประกาศไปทั่วโลก อันนี้สู้ศึกทุกครั้งในี่แพ้ทุกครั้งก็ให้เข้าใจนะพระใจบิดกเนี่ยเปรียบเสมือนลายแทงเป็นแผนที่เรามีดูไว้แค่สังเกตนะเจ้าชายจิตาไม่มีดูด้วยนะไม่มีเลยนะพู้ได้เจ้าทั้งหลายก่อนหนะ้ายี่สิบเจ็บพระองค์ก็ไม่มีดูเลยนะก็นั่น่งถ้าดึงมารลุธรรมเร็วไงถ้าไปดูมาไปตีความเห็นไหมเ อ, เอาเอาภาษาเนี้ยว่าเอาว่านิพพานคืออะไรเออ เสียเวลาไหมแทนที่จะเอาเวลานี้เดินทางมันจะไปเถียงกันเรื่องความรู้นะภาษาเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงแล้วมันคือสมมุติมนุษย์สมมุติขึ้นก็ไปเอาสมมติมาเถียงกันไปอวดรวดเห็นว่าฉันรู้มากกว่าเธอแค่อ่านหนังสือออกขยันอ่านก็จําแม่นแล้วก็จําแล้วเนี่ยแต่มั น, ม, นมันพ้นทุกข์หรือเปล่าห่ะมีแต่เพิ่มทุกข์เพราะไปแบกขยะเราปฏิบัติ เข้าถึงแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่ายกตัวอย่างนะมีสองคนทะเลาะ ก, กันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งมันมีห้าขานะหน้าตาคล้ายๆดิงหูคล้ายๆกระต่ายบังเอิญมันลืมลืมพูดเรื่องหางก็เถียงกันมันน่าจะขยหางยาวห้าหางสั้นไห ถ้าเราไปเห็นมันจริงๆนะเราศึกษาเราแอบเอ้ยไอไ อ, ไ อ, ไอสัตว์ชนิดนี้มันชอบกินกินกล้วยหรือมันอะไรอะไรๆสุดแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นหางมันจริงๆอนะส่วนเราอยากจะรู้ชื่อว่ามันเรียกว่าอะไรเพะว่ามันอยู่ในเขาดินเนาะเราก็ไปดูป้ายบอกลิงห้าขาก็จบไม่ต้องแปลให้เห็นก่อนอันนี้เขาเรียกว่าตาบอดงามคำช้างนั่นแหละทุกวันนี้ความรู้เราเป็นแค่นั้นน่ะ เออความรู้ทางโลกไม่เป็นไรทําไปเถอะแต่เอาความรู้ความคิดแบบนั้นมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมของศาษษษสนาเนี่ยมันก็เลยเลอะเลือนหมดเลยเห็นไหมต้องจิตวิญญาณพูดเล่นไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไม่ใช่เป็นความรู้ามาถกกันนะมันเป็นเรื่องไม่ใช่ขอขาดบาดตายชาติเดียวนะกรรมนี่มันข้ามพบข้ามชาติเลยสมมุติว่าพรอกูใครก็ช่งางเดี๋ยวพรอกูพรอกูไม่ทําอยู่แล้ว เราไปขโมยนาฬิกาเขาเ้าเสียอะไรเขาเสียนาฬิกากับเขาเสียใจจับพราครูไปขังพอไหมคนละเรื่องสักวันหนึ่งพราครูต้องสูญเสียแบบเดียวก็ต้องทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเราไปหลอกให้เขาเดินทางชีวิตผิดเขาเดินทางผิดเนี่ยเขาเสียอะไรรู้ไหมเขาเสียชาติเกิดทั้งชาติเนี่นลลอยนรกรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เรื่องทาเล่นก็รู้สึกข้างหลังมีคาถามมีนิดหนึ่งข้อสั้นๆนะ การที่เรามาเต้นเต้นหมุนหมุนแบบนี้ไม่เข้าใจว่าจะสามารถคลายจากอารมณ์ที่สะสมในจิตได้อย่างไรนะอันนี้เป็นความคิดแบบเราคุ้นเคยว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือต้องไปฝึกวิธีเทคนิคมองในองมองในมุมเรื่องเทคนิคอย่างเดียวเห็นไหมให้คุณฝึกเทคนิคแบบเต้นเต้นแล้วก็ลำลำเนี่ยนะเออ มันจะบรรลุทําได้ยังไงหรือว่ามันจะเอาอารมณ์ที่สะสมในจิตได้อย่างไรใช่หไหมก็เป็นคําถามที่ว่าถามจากความรู้สึกเองเราเคยปฏิบัติธรรมแล้วที่นี้ถามว่านั่งลมหายใจอย่างเดียวอานาเปน็นสติแล้วมันจะบรรลุธรรมได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยไปลองดูเราคาดเขเมแนวเลเราต้องนั่งแบบเนี้ยคนเขาบรบรลุธรรมรรลธรรมนะเหมือนหลวงปู่มั่นนะท่านสร้างสิทธ หลายคนเหมือนกันอาจารย์มหาบัวน ะ, นะหลวงปู่ฟันอะไรเยอะมากแล้วจากรุ่นนั้นมาถึงรุ่นนี้นี่มีใครบ้างมาดูทำที่ชัดเจนแบบเดียวกันเห็นหเทคนิคแบบเดียวกันเห็นหผู้ชาติบอกอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมาเพราะองค์ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีโลกมันเปลี่ยน เราต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยกิเลสมันขี่จรวดแล้วมัวจะไปขี่คอช้างถึงเงี้ยวฟันดาบมันไม่ทันเห็นไหมเราต้องชาญฉลาดต้องมีปัญญารู้เท่าทันโลกต้องถ้ายุคนี้เนี่ยเราไปแสดงธรรมเหมือนท่ำคืบโบราเนี่ยคนรุ่นใหม่เขามาปฏิเสธเขาปฏิเสธหมดเราอนุรักษ์ได้ไหมเราตายแล้วเนี่ยก็สูญพันธ์ไง เราต้องรู้เท่าทันโลกมันเปลี่ยนแปลงไอ้เทคนิคอุบายวิธีในการนำเสนอต้องทันสมัยส่วนหลักการปัญญาความจริงที่ผู้เจ้าไปตัดสรุนั่นอีกกี่ล้านปีในี่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้ธรรมะที่ผู้เจ้าม า, มาแสดงไม่ใช่ของผู้เจ้าด้วยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วคู่โลกคู่จักรวาลผู้เจ้าไปตัดสรุมาเท่านั้นเองอย่าบังอาจไปคิดเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนไม่ได้ ส่วนอุบายวิธีในการนำเสนอนั้นน่ยยกตัว อ, อย่างว่าเอา้าถ้าเราแสดงธรรมพ่อครูพูดภาษาไทยไปเยอรมันคนฝรั่งพูดภาษาไทยได้ไหมแล้วก็ต้องพูดภาษาเยอรมันกับเขาดูวภาษาอังกฤษนี่คือเหตุปัจจัยมันต่างกันเห็นหมสมัยก่อนนี่วัดป่าอะไรไม่มีไฟฟ้าใช้เล ย, เยจะมี ไ, ม, ไม้ไมก็ไม่มีไงมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุแลปะปัจจัย นี่คือตัวปัญญานะไม่ใช่ไปอนุรักษ์รูปแบบอย่างนั้นแหละไปกดทรงอยู่ตอนนั้นแหละเป็นอุตสาหกรรมธรรมะทุกคนก๊อปี้เหมือนกันหมดเลยละ่ะหลวงพ่อชาบอกแล้วมันจะไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นไงนะอันนี้ก็ถ้าพวกเรามาแล้วก็รู้แล้วเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะเต้นหรือหลามใช่ไหมตอนเช้าเราทําอะไรตอนสายเราทําอะไร ตอนบ่ายเราทําอะไรนอกจากศาลาเราทําอะไรเรามีทานด้วยทานศีลภาวนาอันนี้เราไปมองแต่เรื่องเทคนิคคิดว่าฝึกเทคนิคนี้จะบรรลุธรรมเนี่ยอันนั้นปฏิบัติเทคนิคไม่ใช่เจริญมากนะคำถามนี้ก็มาจากนั่นแหละแก้วบอกเขาเขาเขาส่งมาเนี่ยนะคือว่าคนทุกวันนี้เนี่ยมากง่าย ถ้าสงสัยก็ามาผู้เจ้าเนี่ยเป็นศาสนาที่พร้อมที่จะพิสูจน์เรามาศูนย์นี้ตอนเข้าศูนย์เนี่มีใครไปตั้งโต๊ะขายตัว๋วไหมไม่เก็บตังค์เลยใช่ไหมทำไมไม่มาพิสูจน์ก่อนมันเป็นยังไงเห็นปุ๊บจับไอ้คำที่ไม่ชอบพกบวิจาร์ไปเลยวิจาร์ไปเลยนะพระครูถึงบอกแล้วว่าสังคมเนี่ยมันยากแล้วล่ะ ทำไมสองปีที่แล้วพราคูไม่ออกไปข้างนอกบอกว่าดีเด่นดังแล้วมันจะดับคนมันอิจฉากันมือไม่พายเอาขาลาน้ำาศาสนามันถึงวุ่นวายไปหมดเลยเห็นไแทนที่จะโมทนาคุณจะทำวิธีไหนทำเถอะช่วยกันพายคุณจะพายซ้ายพายขวาอะไรอย่าไปเถียงกันคุณมีเทคนิคอะไรดีๆคุณก็ทำไปเถอะอันนี้มิจะวิจารแลวตัวเองไม่ทาอะไรเลยนี่นะ สังคมมันจะไปได้ยังไงศาสนาจะไปได้ยังไงนี่แหละมันเกิดวิตกจดิตฐไอ้ทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยมันทำให้เราเกิดวิตกจริตเราไม่เสียอะไรเลยแต่เสียความรู้สึกกลัวมันจะดังกลัวมันจะดีกว่าเราสังคมเป็นแบบนี้นะแล้วทำยังไงทำใจแต่ถ้าไม่ฝึกจิตทำใจไม่ได้ใจมันไม่ยอมเรื่องอะไรเรื่องอะไรเห็นไม ด่าฉันเน้อฉันก็มีปากฉันก็ด่าเธอคืนเราเดินไปสุนัขมันเห่าเรานี่โกรธมากแล้วก็เห่าตอบมันแล้วก็กลายเป็นสุนัขเหมือนมันไงอยากเป็นก็เป็นไปเนาะก็ <c oughs> <c oughs> คําถามมีแค่นี้เราเอาเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะวิธีเต้นวิธีอะไรเนี่ยนะอันนี้นเป็นแค่อุบายวิธีเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเราต้องรวมพลังทุกอย่างแล้วก็ออกไปจากศาลานี่ต้องอยู่ปัจจุบันตลอดใช่ไหม ศูนย์นี้ถ้าเปิดเทอมนะเราก็เห็นนะเด็กนักเรียนเดินแถวมาเราเลี้ยงเด็กนักเรียนทุกวันวันหนึ่งบวกบวกเขาครคูด้วยญาติธรรมวันนึงเป็นพันคนอันนั้นแหละคือทานศีลภาวนานี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเจริญสติฝึกสมาธิวิธีนั้นวิธีเนี่ยไล่สาระแต่มันไม่ใช่ผิดมันเป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองอันนี้มองแค่เรื่องวิธียกตัวอย่างโอเคอันนี้ยังยั ง, ยงไม่ชัดเจนมาเต้นร่เฉยนี่ คายจากอารมณ์ที่สะสมจิตใจ้ได้ยังไงอันดับแรกนะใครมาวันแรกเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเฮ้ยมันทำอะไรวะลัที่อะไรวะนั่นแหละมันอยู่ในจิตใต้สมมึกเรานั่นหัวโขนเราไงเห็น ไ, ไหมเราเคยนั่งเนียเงี้ยนิ่งๆเฮ้ยเป็นอะไรวะแล้วบางคนไม่คิดนะไม่มีเรื่องนี้ล่ลรำอยู่แต่รำไม่ออกมันอายนี่ไงมันอยู่ในจิตใต้สมมึกเราไง เราลัมเพื่อเวี่ยงไอ้หัวขนเหล่านี้ออกไปเงี่ยเห็นไหมล่ะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันตึงเครียดแล้วก็คลายมันไงเอออารมณ์เครียดเมื่อกี้มันก็คลายหมดเพราะว่ามันเครียดเพราะว่าเรามีหัวขนเราอายเรามีศักดิ์ศรีเรามีบุคลิกภาพพอไปไอเจอจิตเนี่ยมันสั่งให้กิ้งเขาล่อเขาล่อหมดรูปเลยมันทําอะไรมันเวี่ยงอัตราเวี่ยงรูปทิ้งไงแล้วก็การไปนิพพานต้องเดินไปตัวเบาๆนะ ที่เราทำมราทั้งรู้ไงเราได้อะไรวันแรกแรกหนักใช่ไหมกลัวไปหมดเลยไอ้รัดที่อะไรวะมาลัมทำไมวะอายเว้ยเขินเว้ยพวกครูแอบดูนะบางคนก็ลัมกับเขาอยู่แต่ลัมครืงเครงกางๆไงยังกดทรงอยู่สงวนท่าทีอยู่เห็นไหมพอวันท้ายๆนี่อะไรก็ไม่รู้ผิวเลยนี่คือคำตอบไงเต้นๆลำๆมันได้อะไรนี่แหละเต้นสู่นิพพาน นิพานเป็นยังไงรู้ไหมทางไปนิพานเนี่ยเอากระดาษขาวมาใบหนึ่งเอาเข็มเจาะป๊อกรูนี้ใหญ่เกินไปต้องหารกี่ร้อยเท่าแล้วจะแบกหัวโขนไปได้ไหมแบกศักดิ์ศรีไปได้ไหมขอโทษไม่มีทางต้องไปแบบตัวเบาๆนี่แหละคือเทคนิคอุบายวิธีในการเอาหัวโขนออกแต่ไม่ใช่เต้นเหมือนเยาวชนไปเต้นริสโกเทค น, นอันนั้นมันเพิ่มหัวโขนนะ มันเปเต้นเพื่อให้มันสนุกสนานเพื่อมากบเกินความเบื่อพอมันชนปุ๊บตีกันฆ่ากันเลยเต้นแบบขาสติของเราเต้นอย่างมีสติมีสมาธิเอาอารมณ์ออกอารมณ์ออกรู้เท่าทันเรียนรู้กับมันเกิดปัญญาถ้าลําพังเราดูแบบตาเนื้อเฉยๆนี่มันมันเป็นแบบนี้เนาะนี่ยภาษามันหยากเที่ยวนี้พระครูได้เรียนรู้กับเด็กคนหนึ่งเห็นไหมหลานหมอเป่าเด็กชายตัวเล็กๆ พเพราครูเรียนรู้กับทุกคนนะะพราะครูก็พูดเองว่าภาษามันหยาบเกินไปทีนี้เขาไปแสดงว่าจริงๆเขาไปถามอาเขาบอกว่าพวกครูให้ผมหลับตานั่งแล้วบอกให้ผมเฝ้ามองเนี่ยผมจะเห็นอะไรเหรอ <c oughs> มันพูดถูกนะเขาก็เข้าใจว่ามองต้องลืมตาสิอันนี้ให้หลอกตาแล้วบอกว่า สมาธิตั้งมั่นสติเตือนรู้ระวังเฝ้ามองเขาก็ถามว่าผมจะมองเห็นได้ยังไงผมหลับตาเห็นไหมณะพรอครูพ่ะครูไม่เพ่งเป่งมาไม่มีผิดหรอกแต่เป็นภาษาเซนมันเป็นภาษาข้างในทีนี้ก็มาถามน้องอีกคนหนึ่งตัวเล็กๆพี่พี่ต้นข้าวเมื่อวันก่อนพี่ต้นข้าวมาหมุนหมุนหมุนหมุ เพรกูตกมือ ก, ก็หมุนใหญ่เลยหมุนพิวเลยนะหลังจากเสร็จแล้วพวกผู้ก็ถามว่าพี่ต้นข้าวพี่ต้นข้าวเฝ้ามองอะไรเขาบอกมองตัวเองเห็นไหมคนเข้าไปเขาก็เข้าใจมันเป็นภาษาจิตแต่เด็กที่ยังไม่เคยเข้าไปเขาก็ใช้ภาษาคนมองมันต้องต้องเปิดตาสิให้ผมหลับตาแล้วผมเฝ้ามองได้อย่างไร เขาแสดงอะไรเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าภาษาหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่เราก็ใช้ภาษาเท่าที่เราผใช้ได้ดีที่สุดอย่าไปแปรปฏิบัติเองนะลองเองถ้าไปทําด้วยคิดๆกล้าๆก็กลวกัวเลยเราจะพลาดโอกาสเพราะสิ่งนั้นน่ะใช้ความคิดไม่ได้นะหลวงปู่ดุลพูดชัดเจนนะ คือครูบาอาจารย์รูปไหนก็ช่างท่านเป่งออกมาถูกต้องเพราะครูอัญเชิญมาใช้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายเพราะครูไม่เพราะครูเองไม่ว่าของเธอของฉันบางคนอ้างว่าไปคัปลอกคำพูดของนั้นถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนก็ปลอกพระพุทธเจ้าหมดล่ะมิตอ้างพระพุทธเจ้าไงนะถ้าเราอ้างใครก็ช่างที่เป่งออกมามันเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติเนี่ย โดยที่เราไม่มีอามิตรอะไรเนี่ยมันผิดอะไรเหรอทุกวันนี้มันลิขสิทธิ์นาดไหนดูไหมเป๊ปซี่ดีที่สุดใครพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันลิขสิทธิ์มันเอาภาษามนุษย์ไปลิขสิทธิ์อ่ะเห็นแก่ตัวขนาดนี้ต่อไปเราเปล่งอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะไปชนเขาลิขสิทธิ์หมดเลยนะเนี่ยมันให้ไม่ได้ไงใช่หไหมหลวงปู่ดุลพูดว่าคิดอย่างไรก็ไม่รู้ แต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องคิดคำนี้เป็นเรื่องคุณหมอที่บุคคหารบิ่งมาหาพ่อครูเลยผมงงเล่นลิ้นหรือเปล่าพ่ะครูก็ถามว่าคุณหมอคิดไหมที่จะมาหาพรอครูบอกคิดก่อนที่จะมามันจะคิดมันถึงจะได้มาไงแต่มาแล้วเนี่เรื่องจิตวิญญาณอย่าคิดคิดอย่างไรก็ไม่รู้ลุยโดยเข้าไปเรียนรู้กับมันยิ่งคิดยิ่งเข้าไปไม่ได้พอมันเริ่มเบี่ยงเอ๊ะเอ๊ะหยุดเลย เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะนะก็ให้เข้าใจนะพวกครูเรียนรู้กับทุกคนพาะครูเรียนรู้กับเป็ดกับไก่กับหมูกับม้ากับแมวนะกับเด็กๆด้วยเรียนรู้กับเด็กๆได้พม่าทแท้ๆเพียวๆ เ, เลยนะเรียนรู้กับผู้ใหญ่ต้องระวังหน่อยเพื่อนสนิทเราสังเกตไหมขนาดสนิทเลยนะมันพูดออกมาเป็นภาษาไทยยังมาคิดอีกเอ๊ะมันพูดอย่างนี้แปลว่ายังไง ยังต้องแปลไทยเป็นไทยอย่างนะนี่คือสังคมวิตกจริตไงมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรทุกวันนี้เชื่อใครไม่ได้เลยเห็นไหมแม้กระทั่งเพื่อนสนิทนะแล้วชีวิตอย่างนี้เราจะอยู่ยังไงเพราะขุถึงชอบอยู่กับเด็กอะสนุกไม่ต้องระวังตัวเลยนะเขามีอะไรเขาพูดออกมาตรงๆเห็นไหมเขาไม่เสียแซงไงเห็นไหมนี่ภาษาธรรมต้องไปเรียนกับเด็กๆ นะภาษาผู้ใหญ่เนี่ยต้องฟังหูไว้หูต้องฟังผู้ที่เจ้า บ, บอกอย่าเพิ่งเชื่อ <c oughs> เดี๋ยว <laughs> บางทีก็พูดออกมาบางทีเราปัญญาไม่ถึงเราก็ฟังผิดเห็นไหม <laughs> เขาพูดว่านนี้ผ่านคนเลีย ง, งเดียนสูงสุดค น, นึงแปลว่าอัตตาคนนึ่งแปลว่านัตตาเขาบอกต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วลูกหลานจะพึ่งใคร <laughs> เพราะคําว่าด ok ็อกเตอร์เนี่ยสมมติว่าเราจบด ok ็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกับตัวเรานะด็อกเตอร์ เป็นชื่อมาตรวัดว่าเราเรียนจบปริญญาเอกนะเหมือนคำว่านิพานเนี่ยพอทะเลาะ ก, กันหลายปีก่อนทะเลาะ ก, กันนะไอ้่ายนี้บอกว่านิพานเป็นอัตตาค่ายนี้ทำไมเขาเขาคิดว่าเป็นอัตตานะยเขาบอกนิพานมันเที่ยงแท้น่อนไม่ต้องเรียนวให้ตายเกิดมันเป็นนิจจังมันจึงเป็นอัตตาข่ายนี้บอกว่าพระไตรปิฎกเขียนว่าสัพเพธรรมาอนตตา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานิพพานก็คือธรรมะนิพพานก็ต้องเป็นอนัตตามีญาติธรรมมาถามพา่อกูแล้วพ่อกูว่านิพพานมันเป็นอะไรกันแน่ถ้ามันยังเป็นอะไรอยู่นิพพานไม่ได้นิพพานยังไม่ใช่นิพพานเลยมันไม่มีอะไรแต่นิพพานนี่เป็นชื่อสมมุติว่าจิตซึ่งมันไม่มีอะไรมันดับทุกได้แล้วเนี่ยเขาสมมุติสภาวะนั้นเรียกว่านิพพานอันนี้กลายเป็นว่านิพพานเป็นแดน ใครทำบุญเยอะๆไปอยู่แดนนิพพานอยู่กับพุทธเจ้าไปกันใหญ่เลยเนาะแรกคนไม่เคยเข้าถึงก็ไปอ่านหนังสือว um, ันพระพุทธไตรปิฎกสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไอ้ทั้งรั้งนี่บอกว่าสัพเพธรรมะอนัตตาไม่ใช่ธรรมะสัพปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เถียงกันอีกเนาะ ไม่ต้องเสียงพ่อครูพ่ะครูไม่เสียงกับใครนิพานยังไม่ใช่นิพานเลยมันไม่มีชื่อเรียกถ้ามันยังเป็นอยู่นิพานไม่ได้เป็นคืออัตตานั่นแหละปฏิบัติก่อนผู้เจ้าปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาเมื่อตัดสู้ทมเข้าสู่ปฏิเวทเอาสิ่งที่พระ อ, องค์รู้พระรูเห็นเนี่ยมาบอกกล่าวท้าที่พูดได้พระอนน์หรือเปล่าเป็นคนจดไว้ในเพื่อนฝรั่งพ่อครูมันไม่เชื่อมันบอกนิธานปรามปลา พราะครูไม่สนใจหรอกว่าผู้ทีเจ้าชื่อว่าเจ้าชายสิท ธ, ธาถาหรือไม่แต่ดวงจิตดวงนั้นมีจริงคําสอนพระองค์ถ้าเราทําจริงเราพ้นทุกได้แค่นี้พอแล้วแม้กระทั่งคําว่าพุทธศาสนาพระองค์ตัดไว้เองว่าอยู่ได้ประมาณห้าพันปีไอ้คําคว่าศาสนามันไม่ใช่ธรรมะมไม่ใช่ความจริงมันก็เป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนพระพุทธเจ้าท่านเองส่วนห้ามันมาถึงสองพันกว่าปีเลยนะ ครึ่งกึงพุทธกาลนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอาละถ้ามันถูรูดถูกังไปอีกสองพันกว่าปีนะเขาอาจจะเปลี่ยนชื่ออะไรใหม่ก็ช่างมันเป็นแค่ชื่อสมมุติศาสนาไหนก็ช่างแต่คําสอนที่ผู้เจ้าไปตัดสร้มานั่นอีกกี่ล้านปีมันยังก็คงอยู่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตใครเข้าถึงธรรมชาติตรงนั้นเราจะ เราเห็นตัวฐานข้อคืนเราจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าตัดสู่สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งมันให้ไม่เป็นออกมาเนี่ยด็อกเตอร์สองคนทะเลาะ ก, กันนิพานเป็นอัตาตาณตาแล้วใครจะเป็นคนตัดสินมีแต่อ้างทําตัวเป็นเจ้าของาศาสนาพ่อคูโดนมาหลายปีแล้วนะพวกคูบอกว่าพาพ่อคูไปหาผู้ทีเจ้าหน่อยพ่อคูจะไปขออนุญาตท่าน ใครเป็นคนชักของศาสนานะที่นี่เรามีหลายคนนะปุ๊กด้วยเนี่ยเคยไปบวชสามเณรดีนะที่นครปฐมใครมีอารมณ์ใดพ่อครูส่งไปหมดละ่ะพ่อครูไม่มีลัฐที่ศาสนานะเรายึดคําสอนผู้เจ้ามาดํารงชีวิตเราไม่ติดรูปแบบแต่เราไม่ทําลายรูปแบบไม่ทําลายสมบุญมันอย่างเธอชอบยังไงก็ตามไปเห็นไหมปุ๊กมาเคยเล่าให้พ่อครูฟังว่า ดนะอกเตอร์ภิกษุณีนั้นไปประชุมเขาเรียกว่าพุทธศาสนาโลกตอนนั้นองค์ทลายลามะนี่เป็นประธานทรงดอกเตอร์ภิกษุณีก็ยกมือน้อมัสการบอกให้องค์ใดยธรรมะเนี่ยกรุณณาเป็นประธานฟื้นฟูภิกษุณีโลกท่านตอบไปยังไง ท่านตอบว่าอาตมาไม่บังอาจสงสัยต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่ตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยคนวางตัวเป็นเจ้าของาศาสนาเยอะมากระวังนะไม่ใช่เรื่องทำเล่ น, นถ้าคำสอนพรพุทธเจ้าเป็นพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยพวกคุณเป็นใครคุณมักง่ายใช่ไหมจะให้มันสอบง่ายๆใช่ไหม เขาก็อยู่อย่างก็อยู่ของเขาถ้าปฏิบัติการเข้าถึงธรรมไม่ใช่ไปอ่านเยอะๆมีแต่แค่ขยะแล้วก็มานั่งทะเลาะ ก, กันมานั่งจับปิดคนอื่นนี่แหละเอาไว้หน้าไม่มีใครถูกใครผิดนะพะ่อครูเน้นดังนี้ว่าทุกคนต้องพึ่งตนเองตอนนี้เราพึ่งสังคมนี่ ย, า, ยากๆตัวสังคมเองเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่เราต้องอยู่กับมันนะอยู่อย่างรู้เท่าทันมันอยู่กับโลกให้ได้ อย่าอยู่ให้มันเสียชีวิตรู้เท่าทันโลกไม่ใช่ไปตามโลกทุกเรื่องโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยสังเกตไหมส่งมาปุ๊บส่งต่อเลยกลัวจะชาคนอื่นไม่เคยคิดวิเคราะห์เลยมันจริงไม่จริงไปร่วมสังกกรรมก่าเขาวุ่นวายไปหมดเลยนะให้ระวังมากขึ้นเห็นเราต้องมีสติรู้เท่าทันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันเร็วกว่าเก่านะ จะไปอนุรักษ์แบบเก่าๆเนี่ยมันมันก็ได้อนุรักษ์ไงนะแต่มันไม่เกิดประโยชน์ต่อมวลมุนทิศชาติเลยคุณจะอนุรักษ์ไว้ทําไมใช่ไหมอนุรักษ์วิธีการนะไม่ใช่อนุรักษ์คําสอนคาสอนพระเจ้าไม่ต้องอนุรักษ์พระไตรปิฎกนี่น้ําท่วมโลกไฟไหม้นี่หมดเลยนะพระไตรปิฎกเล่มจริงๆนี่เปิดออกมาไม่มีตัวหนังสือเลยนั้นของแท่บันทึกมันในจิตไว้เอาไว้ในจิต ตายแล้วเอาไปเผามันก็ไม่หายไปไหนนะมันเผาไม่ได้ใครสั่งให้พระครูมานั่งอยู่ที่นี่ใครจ้างพระครูมานั่งอยู่ที่นี่ก็จ้างไม่ได้แล้วมันทําด้วยอะไรฮะมันทําด้วยสํานึกสํานึกจิตสํานึกนะไม่ต้องกินเงินเดือนใครเห็นไหเนี่พระไตรปิฎกเล่มจริงๆเนี่ยไม่มีตัวหนังสือเลย ถ้าเขียนปุ๊บมันหยาบเปผู้ยกหยาบเพิ่งเชื่อตำราเนี่ยมีแต่ถามหนึ่งเนี่ยพ่อครูหลายปีแล้วก็แบบเนี้นะคูบาอาจารย์มาที่นี่พราะกูกราบหมดเพ่อคุณเจ้าบวชวันหนึ่งพ่อครูกราบอุปถากสมบูรณปัญญาเราทิ้งไม่ได้ต้นไม้มีทั้งเปลือกกับพีมีทั้งแก่นจะมีแก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีเปลือกกับพีต้องไปด้วยกันศา ส, สนาถึงเดินได้พ่อครูไม่ละเลยเรื่องนี้ จิตแต่จิตเราต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติมันถึงอิสระแต่เราไม่ทำลายสมมติบัญญัติทำลายสมมติบัญญัติเป็นกรรมนะถ้าจิตมันเข้าถึงแล้วมั น, ม, นมันมีสํานึกเองไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องไปอ่านหนังสือเล่มไหนอ่านแล้วก็ต้องมาตีความขัดแย้งกันอีกแบบนี้น ะ, นะนะพอฟังอะไรไม่ฟังทั้งหมดเลย แล้วก็ไปจับใจความตัวหนึ่งที่ขัดใจตัวเองก็มาวิจารณ์วิจารณ์นี่สร้างวจีกรรมเนาะวิจัยก่อนหลังจากเด่นชัดแล้วค่อยมาวิจารณ์วิจารณ์มีประโยชน์ถ้าวิจารณ์แบบสร้างสารรค์ไม่ใช่วิจารณ์ลักษณะว่าจักผิดทําลายล้างกันแล้วศาสนามันจะไปทางไหนล่ะนะอันนี้พวกเราขึ้นชื่อว่าเป็นลูกหลานพุทธเจ้าไม่ใช่หน้าที่พระคู่คนเดียวนะเป็นหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องพายเรือลํานี้ออกไป รักษาพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจลูกหลานเราต่อไปนะตอนนี้คนไม่มีศาสนาในโลกนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ใช่เขาผิดนะเพราะศาสนาทุกศาสนาไม่ตอบโจทย์เขาไม่ตอบโจทย์ชีวิตแบบสมัยใหม่ไม่ใช่เขาอยากไม่อยากแล้วเราก็เปลี่ยนมันไม่ได้ไงแต่ศาสนาโมแต่อานุลักษ์อยู่นั้นน่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนี่ยอนุรักษณ์ไม่อยู่หรอก เดี๋ยวรุ่นที่อนุรักษ์ตายไปหมดก็ศูนย์พันหมดจิตพาะครูรู้เท่าทันโลกปรับเปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่เขาลับได้แล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาตอบโจทย์ได้อย่างน้นอยๆร่างกายเขาแข็งแรงกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีมีสุดไปใช้ชีวิตต้องปฏิบัติศาสนาแล้วก็ไปใช้ได้จริงๆไม่ใช่ไปฝึกอีกแบบนึงออกไปก็อีกแบบนึงเห็นไม เข้าค่ายวิ่งมาลาทอนพอลงสนามมันจับเราไปแข่งร้อยเมตรเนี่ยก็ทุกวันนี้มันร้อยเมตรนะมัน g ีสา G5 สี่ห้าแล้วนั่นปฏิบัติศาสนาต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ไปอนุรักษ์อนุรักษ์นะก็ก็พูดให้ให้ใ ห, ให้ให้เข้าใจพอสังเกตนะแล้วก็ต่อไปดูเป็นแนวทางเฉยๆนะดูว่าบริษัททียเอสซีเนี่ยหลังจากเขา นี่เดี๋ยวยังไม่กี่วันเนี่ยส่งผู้บริหารมา20คนเขาเคยเหมาเครื่องวินเมาบนปิดคลินิกเลยนะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขามาปฏิบัติแล้วชีวิตเขาดีขึ้นตอนนั้นเครียดมากต้องการเป็น The Best ต้องเป็นที่หนึ่งไงเขาเป็นบริษัทที่ได้รางวัลดีเด่นเกี่ยวกับเรื่อง ISO ISO mm. น <ะ S 1> เนี่พอครูไปเดินรอบหนึ่งเลยพอครูก็บอกว่าเนี่เป็น ISO ซึ่งไร้วิญญาณ เหมือนเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเห็นไหมกิ้งกองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค้าไม่ได้มองหน้าเราเลยนะมันถูกบังคับให้พูดเครียดหมดคนพูดก็เครียดคนฟังก็เครียดคนเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งเพื่อทำให้มันธุรกิจมันเดิน ช, ชีวิตเครียดหมดคำนี้แหละให้ผู้บริหารที่ไอซีเนื่องจากเขาปฏิบัติเขาเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนั้นลูกน้องคนไหนทำมาดี เรียกเข้าไปในห้องปุ๊บนะเดี๋ยวสามีก็เดินมาบอกออกหรือยังออกหรือยังไม่มีหรอกเรื่องเมตตาตัวเมตตาธรรมกุณอมผลประโยชน์เป็นใหญ่แต่หลังจากปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดปัญญาไงตัวเองไม่บริหารแล้วจ้างผู้บริหารเงินเดือนสามแสนมานั่งแทนแล้วตัวเองมีเวลามาปฏิบัติ แล้วก็เอาสิ่งดีๆนี้ไปแบ่งปันลูกน้องตอนนี้บริษัทนี้เนี่ยเดินเข้าไปเย็นหมดสมัยก่อนทะเลาะ ก, กันทุกวั น, นคนขี้ฟ้องไปฟ้องมานะแต่ตอนนี้ฉันช่วยเธอเธอช่วยฉันแต่ต้องทำจริงนะเขาทำจริงแค่ไหนดูไหมเมาเครื่องวินมาอุบนเลยปิดคลินิกเจ็ดวันเลยแต่ละวันมันไม่ใช่เงินน้อยๆ น, ยนะเขายอมเสียนะ ทีนี้แกบอกว่าแกไม่เอาจีดีพีะล้ไอ้ตัวเลขนะเอาความสุขและเขายิ่งให้ยิ่งได้พนักงานสุขยิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าก็ติดหมดลูกค้ามากกว่าเก่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้เห็นไหมไม่ใช่อยากเอาอยากเอาหน้าดำคข้าเครียดหมดนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีแต่ลูกค้าแบบที่ว่าเขาเอาเงินมาซื้อบริการไงเขาก็ถือสิทธิเขาหมด นะถ้าไม่ระวังในสติแตกหมดอ่ะแต่ตอนนี้ปฏิบัติแล้วนี่ด่ามาก็ยิ้มอะไรก็ยิ้มหมดเห็นไหมแล้วตัวเองก็ไม่ทุกข์ด้วยใช่ไยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะโอเคนะ